คนทำบาปไว้กับคุณจะได้รับผลเพียงใดคุณจาเป็นต้องรู้ตัวว่าตนเองจัดเข้าจำพวกไหนทำกับใครไว้อย่างไรอาจคาดหมายผลยิ่งกว่านั้นและคนและสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเครื่องขยายผลบาปบุญไม่เท่ากันทำบุญทำบาปกับสัตว์ได้ผลไม่เท่าทำบุญทำบาปกับคน ทำบุญทำบาปกับคนทุศีลได้ผลไม่เท่าทำบุญทำบาปกับผู้ทรงศีลทำบุญทำบาปกับผู้ทรงศีลได้ผลไม่เท่าทำบุญทำบาปกับผู้เจริญสติตรงทางอันรายละเอียดเต็มได้จากทักีนาวิพังคสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงผลของการให้ทานพอนามาเทียบเคียงเป็นประมาณกับการทาบุญทาบาปทั่วไปได้ ประเด็นคือเมื่อคนเราเป็นฝ่ายถูกกระทามักหวังผลให้ผู้กระทาได้รับผลเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าไม่ใช่ด้วยการเอาคืนกับมือก็ด้วยการสาบแช่งด้วยปากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมจะมีใจจดจอ่อเฝ้ารอว่าเมื่อใดผลร้ายจะเกิดขึ้นกับคนที่ทาร้ายร่างกายหรือจิตใจตนแท้จริงแล้ว กรรมไม่ได้ให้ผลตามการสาปแช่งของใครกรรมไม่ได้เอาใจใครให้ได้สะใจเร็วๆทันตาถ้าอยากรู้ว่าเขาหรือเธอจะได้รับผลเพียงใดจากการทาบาปทากรรมไว้กับคุณคุณจำเป็นต้องรู้ตัวว่าตนเองจัดเข้าจำพวกไหนคนไม่รักษาศีลคนพยายามรักษาศีลคนมีศีลเป็นปกติคนรู้ทางเจริญสติ คนพยายามเจริญสติคนมีสติเจริญแล้วเห็นกายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนได้เป็นปกติแล้วน่าสังเกตว่ายิ่งศีลของคุณบกพร่องมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งหวังให้คนที่ทำร้ายคุณวิบัติมากเท่านั้นรอศีลที่พร่องย่อมเป็นช่องให้อาคาตมากแต่ยิ่งศีลของคุณบริบูรณ์ขึ้นเท่าไหร่ คุณจะยิ่งหวังให้เวณที่มีกับใครเลิกแล้วต่อกันเท่านั้นเพราะศีลที่บริบูรย่อมปิดช่องความอยากเบียดเบียนสำหรับนักเจริญสติเมื่อสติยังอ่อนเพึ่งพยายามเจริญสติไม่นานยังมีอัตตาว่าข้าคือนักเจริญสติมีความสูงส่งก็อาจแอบแค้นแอบหวังเห็นคนทำร้ายตนพินาศวิวัย ต่อเมื่อสติเข้าที่มีความเห็นกายใจไม่ใช่ตัวตนได้เรื่อยๆก็อาจแผ่เมตตาปรารถนาให้ใจผู้ทําร้ายตนเป็นสุขเป็นกุศลพอจะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองเอาตัวรอดจากการครอบงำของบาปอากุศลตลอดจนพยายามป้องกันเหตุไม่ให้ใครต่อใครต้องมามีเวรกับตนเลยทีเดียวการสาปแช่งเป็นมโนกรรม การโวยพรเป็นมนโนกรรมเมื่อเป็นกรรมย่อมมีผลเสมอแค่ตัวคุณปรากฏตัวในโลกก็เป็นช่องทางก่อบาปก่อบุญของใครต่อใครแต่ในทางกลับกันใครต่อใครก็เป็นแหล่งก่อบาปก่อบุญของคุณแม้น้อยที่สุดด้วยการแอบคิดสาบแช่งหรืออํานวยโวยพสอยู่ในใจทุกวัน